อ่าทวจต์อาฟังคำพูดกัน่าเป็นคำพูดจริงหรือว่าโกหกอีกทีนะึงเป็นศสัจธรรมหรือว่ามันจำมาจากไหนมาพูดกันเรื่องนออกมาจากกายใจที่มันมีเหมือนกันทุกคนเมื่อวานเย็น จับมากรมาจากวัดป่าโคกกรุงก็มีการนิมนต์กันให้เทพที่นั่นลองเจ้านณะอำเภอจัดงานปฏิธรรมเมื่อมีคนมาประมาณร้อยห้าสิบคนเป็นชาวบ้านรอบๆวัดจะเห็นคนแก่คนเฒ่า ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมกันแต่มันก็ไม่ได้โอกาสเทศเต็มที่นักให้เวลาเทศอยู่สองชั่วโมงฝนก็เทลงมาอย่างหนักจะมีบางคนก็บอกว่าเทวดามาให้เทศเทวดามาให้เทศแต่ก็ยังได้เทศอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มจะเหลี่ยแล้ว สิ่งที่เขาพูดไปบอกนะก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ยองเปรียบเทียบอุปมาอุบมยจากประสบการณ์ตรงที่เคยสัมผัสกับการแก่การเจ็บการตายของคนรอบๆตัวโดวยเฉพาะบทเมื่อกี้นะก็ได้สวนตอนจบเป็นข้อสรุปนะว่าองค์สมเด็จสัมมาจ้านสอนธรรมะมาสี่สิบห้าปี หลังจากที่คนพบมันเป็นเดือนหกตุนสิบห้าขํายามสามปิลากาอันนี้เราจำมาเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันหรอกสองพันกว่าปีใครจะรู้ว่าตรงนั้นเราอยู่ตรงไหนนะแต่ประวัติศาสตร์ก็อ้างเอาไว้ในพระไตรวิฎกในคำบอกคำสอนของพระปู่รู้ที่รู้จากการจำการอ่าน ก็ก็อ้างว่าวันเป็นเดือน6ขึ้น้ามยามสามปีละกาหลังจากที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้านี่ได้ทานข้าวหรือว่ารับะทานอาหารหรือว่าเลวจันอาหารของนางสุชดาแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่เบืฐานจิตว่าถึงแม้หนังอินกระดูกจะกูพังไปก็ตาม เหลือดเนื้อจะเหือดแห้งไาจากศอรีลาก็ตามแต่ว่าธรรมะที่เราควรรู้ควรเห็นด้วยเร็วแรงของบุรุษเราก็จะไม่หยุดทำความเพียรเสียถึงแม้จะตายไปก็ยอมกว่า ย, ยังไม่บรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นเป็นวันที่เราก็ไม่รู้ว่าท่านทำอะไร เมื่ันเป็นบันทีของเราเราก็ไม่รู้จะเป็นบัตรอะไรปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไ ร, รแต่ก็มีศรัทธาความเชื่อว่าทางใจกลางก็คือมัจจิมาปฏิปุทานะีทางใจกลางมันจะหมายถึงว่าอาตะาคือมัทานิโยโญกละกัมมาสุขาในกาณิโยโ เราพอจะเข้าใจได้ว่าการมาสุ ข, ขาริการย่อคือการหลงติดในความสุขนะวันนวัตถุกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงทะยานอยากขนกวายแล้วก็หาเข้ามาเรียกว่าตันหาตันหาหาเข้ามาอันไหนไม่ชอบจะผลักออกไปเนี่ยมันเลยเป็นลนักษณะของการมมาสุ ข, ขาริการย่อแล้อัตตาเป็นมรรานิยโญก์อัตตคาตตคือทําตัวเองให้ลําบาก เป็นทุกข์ต้องมีกดมีกรอบมีขอบมีเกณฑ์มากติกาจนทำเพเยงให้ทุกข์มันไม่มีความพอดีเป็นแล้วนะของการชีวิตมากไปน้อยไปมันไม่ได้เห็นความรู้เนื้อรู้ตัวความเป็นปกติมันมีกายมันมีใจมันเป็นตัวชีวิตของเรากาย ทำไมรู้จักมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันต้องกินต้องกับถายต้องหายใจต้องหลับต้องตื่นมันต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องเจ็บต้องปวดต้องเมื่อยมากมายมันมีกายมันมีวัตถุรูปธรรมมันมีอาการของมันแล้วมันก็มีจิตใจจิตใจนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าเรามักจะทุกข์มีความรู้สึกว่ามันหมก มันเบาก็คือมันโลภมันโกรธมันหลงมันรักมันจังมันสุขมันทุกข์มันเกิดในจิตในใจของเราเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลเป็นความฉลาดเป็นความไม่ฉลาดมันเกิดขึ้นมามันเป็นปัญหามันเป็นปัญญามันเกิดขึ้นมาเราก็มาเห็นมันด้วยความรู้สึกตัวอันนี้ก็หมายถึงว่า เมื่อเราฝึกหัดปฏิวัติธรรมก็เป็นการฝึกจิตนั่นแหละจิตที่มันเคยผิดปกติเป็นบวกเป็นลบบวกก็เรียกว่าการ ม, มาสุขาริการนิยมลบก็เรียกว่าอัตตะหรือมรรคานยิยมทางสองฝั่งเนี่มันเป็นทางสุดตรงทางสุดตรงของชีวิตมันมีทางผ่านด้วยทางตันนึงก็มี มันไปไม่ไหวแล้วมันติบมันตันมันคิดไม่ออกมันบอกไม่ถูกเมื่อเป็นี้ท้ายสุดฆ่าตัวตายอย่างงี้ยฆ่าตัวตายผิดหวังอกแตกสลายจิตใจมันเกลียร์ขึ้นมาระบบประสาทมันกเป็นผลพวงที่มันมีแล้วนะของวิบากกรรมที่มันจะเกิดขึ้นมาจากการกระทําของเรากรรมคือการการะทํามีผลนําทั้งดีทั้งชัว่ว ท, ทําตัวเองลําบากทําให้ผู้อื่นลําบากอย่างเนี้ย ทำให้ตัวเองสบายทําให้ผู้อื่นสบายมันก็จะเป็นเรื่องของบุญของบาปของกุศลของอกุศลเราก็ไม่เห็นจากการปฏิบัติธรรมของเราเนี่แหละเรียกว่ากรรมมาตรฐานไม่ใช้กรร ม, มฐานเป็นที่ตั้งของการกระทําที่มันจะทําให้เราเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกเป็นการถอระหักชีวิตนีเนี่ยที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้านะ่ะได้ ชี้นํามาไวนะ้ตามความชื่อของชาวพุทธนะว่าเจ้าชายฤทานะแสวงหาเมตตาทำนะได้ออกค้นหาออกทํางานวิจัยนะกาวิจัยเรื่องมันมีทุกข์มันต้องมีไม่ทุกขนะ์ก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ก้าวลงออกจากความทุกข์ได้โดยมีวิธีการมีกรรมวิธนะีก็คือเรืนะ่องของการเจริญสตานสี่เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นเวทนาตามความเป็นจริง เห็นจิตใจของเราคิดนึปรุงแต่งตามความเป็นจริงคิดนึกเป็นกุศลเป็นอกุศลตากระทบรูปจมกูกกระทบริมลิ้ น, ม, ม, นมันลดกายสัมผัสจิตใจถึงปรุงแต่งตัวในนั้นมันก็เป็นเรื่องของทางภายนอกทางภายในมากมายเราก็ได้รู้มันผ่านความรู้สึกตัวการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะหรือใครจะทําอะไรก็เถอะอันนี้ไนมะ่ต้องมาตกเถียงกันเลยแต่ทำเป็นมันจริงเดียวกัน แตาจะทํารู้ได้เร็วดูได้จ้าอันนั้นมันก็เหมือนกับวิชวิชาการอื่นๆที่เราเคยเรียนรู้กันมาฝึกหัดกันมาคนเรียนเก่งก็มีคนเรียนไม่เก่งก็มีอย่างที่นั่งที่นี่มันมีอยู่คนเหมือนนะพวกเราต้องขออนุญาตเปิดเผยตัวเองนิดนึ่งที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะแล้ววันนี้เราังจะกลับไปด้วยอันมาเห็นแล้วมีความรู้สึกไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ เก่งระดับประเทศนะจนเป็นตัวแทนนักเรียนที่เก่งส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นเด็กทุนเตรียมอุดมแล้วก็ไปเรียนต่อเรียกว่าคะแนนที่สอบมานะีมหาลัยในประเทศไทยเนะี่ยมหาลัยไหนก็ตามต้องรับเลือกได้ทุกสถาบันในประเทศไทยและทุกวิชาด้วยที่สํำคัญไปยื่นตรงไหนก็คือต้องผ่าน ี้แต่น่าเสียดายว่ามันเรียนไม่ได้ที่ญี่ปุ่นไปก็เรียนไม่ได้ตอนนี้ยื่นคะแนนเศรษฐศาสตร์จุลาเรียนมาก็ต้อง drop อันนี้เราก็คืออาการที่สติการรึกรู้เป็นญาณของปัญญานําปัญญาขนส่งมาใช้เนะี่ยมันไม่พออย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลองดูสิมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมยังต้งองพอที่จะอยู่ได้ในวัดเนี่ย มันก็สามารถผ่านมาได้ละตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายวันนี้ก่อนกลับมันก็เลยเชืย่อเห็นว่าถ้าเราได้มีการฝึกสติหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเนี้อยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็มีบรรยากาศที่มันชวนให้เราได้กลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองเราก็จะเห็นความจริงเลยจิตใจของเรานี่นะ มันคิดปุ้งปรุงแต่งมันมีอาการต่างๆมีอารมณ์ต่างๆจรอนไปจรอมามากมายแต่เราก็สามารถดีฝึกหัดก็ได้โดยการกลับมารู้สึกตัวทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยเราเห็นสภาพจิตของเรามันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราหลงความรู้สึกตัวไปมันจะเข้าไปอยู่ในอารมณ์เครมีจริตนิสัยมันจะเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันจะเข้าไปอยู่ในการปรุงกันแต่งการปรุงกันแต่งก็หมายถึง หมายถึงครัวองี้นะครัวนะที่มีเติมรสชาติลงไปเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดปรงุงแต่งรสชาตนะิจิตของเรามันจะแต่งรสชาติเหมือนกันเป็นความอร่อยนะที่ตามทางของกิเลสตามทางของความหลงหรือว่ามันไปตามทางของสติปัญญานะเป็นเรื่องของบุญของกุศลของมรรคนิพพานมันก็เลือกได้นะ ถ้าเลือกกลับมาที่เรรู้สึกตัวแล้วเลือกมาทางปัญญาที่มันเนื้อเกิดเนื้อแก่เนะ้เจ็บเนื้ อ, อตายเนื้อทุกตรงนี้แหละอยู่ในโลกได้อย่างสบายหมายถึงอะไรจะเข้าใจเลยเข้าใจตัวเองว่ า, ใ, า, าใจเป็นยังไงใจเป็นยังไงเข้าใจคนรอบข้างว่าอ๋อการไม่เบเวียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่ น, นยังไงเช่นพ่อแม่อย่างเงี้ยนะเวลาท่านเมียลมขึ้นมานะมันคุมไม่อยู่หมอก็จะจ่ายยาให้ ใช้ยานะคุมเราอีกทีหนึง่งกดระบบประสาทอย่างเงี้ยนะอันนี้หมอก็คือบุคคล1 2 3สสาที่มีความชำนาญมีความรู้ตามทีนะ่ทางกฎหมายหรือว่าลักษณะของโปูชนียะบุคคลผู้รู้ตามสาขาหรือเฉพาะด้านยอมรับให้ทำหน้าที่เขาก็มามังคับเราอีกทีในการจ่ายยากดประสาทควบคุม แต่พอหมดยาปับ๊บเนี้ยอาการก็จะรุนแรงหรือบางทีก็จะมีผลข้างเคียงนัะนะนะระหว่างที่ออกอาการแล้วก็จะไปเวียงใส่นะพ่อบ้างแม่บ้างหรือวคนรอบๆตัวที่เราไว้วางใจเรียกว่ายิ่งรักคนไหนเราก็จะระบายออกคนนะั้นนะประเภทที่ว่าไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยอันนี้มันจะก่อกรรมทำเข็ฑ น, นะนะก่อกรรมที่เราไม่รู้เมื้อรู้ตัวว่าเรากำลังทํากรรมอยูนะ่และเป็นกรรมที่สอบไปในทางที่ลงนรกอย่างเดียวเลย ก็คือตัวเองก็เป็นทุกข์ต่อไปพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ต่อไปญาพี่น้องคนล่วมข้างเพื่อนปู่ก็เป็นทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะทําให้เราเหมือนกับว่าขี้ใครปมเงินทิมผูกมัดรัดตึงก็คือกดแห่งกรรมกรําดีกรรมชั่วทําให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆนานาเป็นภพภูมิภพชาติฉราโมระโสกาบริเทวะทุกอุปายาสานะเราก็แก้กลับมาเป็นกรรมฐาน ผู้ปรักตรงกันข้ามะเปลี่ยนหลมเป็นรูน้รู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้เมื่อให้เวลาตัวเองมานขึ้นหนึ่งวันสองวันสามวันหนึ่งปีสองปีรับรองไม่เกินเจ็ดปีเกินที่องค์สมเด็จสามารถเจ้าได้กำหนดเอาไว้ไม่เกินเจ็ดปีมันก็จะคืนสูฐฐ่สภาวะธรรมชาติเดิมแท้ของเราหรือว่าะภาวะปกติของเราต่อไปอันนี้พิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ อย่างเช่นคนจีนที่มาวัดทุกปันเนี่ยนะคนจีนที่มาวัดนะก็ได้เหตุที่สัมผัสกับผลพวกนี้แหละก็เป็นโรคจิลโลตโรคประสาทเป็นถึงขั้นอาจารย์สอนอวิศวะคอมพิวเตอร์อย่างนี้แต่ว่าท้ายสุดก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันต้องออกมาให้หมอก็ดูแลกินยาระบบจิตระบบประสาทให้มันหายเหมือนเดิมปรากฏว่าท้ายสุดก็คือมาเจอวิธีปฏิบัติแนวหลวงปู่เตียน เรกไปปฏิบัติแล้วจนกระทั่งชาวจีนทุกวันนี้ก็มาเพระาะว่าคนคนนี้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็ทำงานกันต่อๆจนจนต้องไปทํางานต่อที่ประเทศจีนหรือว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นระบบของโลกจิตโลกสัตถ์เนื่องจากอกหักรักหายท้ายสุขตอนนี้อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้วิธีการแนวหลวงพ่เทียนแนวทั้ทงหมอเองก็ทึ่งเหมือนกันว่ามันหายได้อย่างไร หมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะรักษาคนที่พ่ยแพ้อกหักลักหายจิตใจแตกสลายบาดหวังล่ำไม่ได้อย่างที่เราต้องการได้ส่วนก็เสียศูนย์ศูนย์เสียมันก็เสียศูนย์มันก็ต้องมาตั้งศูนย์กันใหม่วิธีการตั้งศูนย์ก็คือให้กายของเรามันมีความรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจของเรามีมความรู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าเราได้ศรัทธาหรือยังศรัทธาคือความเชื่อนะ เชื่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีนะเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันอาจจะเป็นทางออกจริงๆเราสามารถที่จะออกจากทางตันผ่านไปได้อย่างสะดวกอย่างนี้นะมันจะเป็นมันก็จึงเป็นมัจจิมาปฏิปทาทางสายกลางที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าค้นพบหลวงปู่เทียนเจียพอไม่ได้พูดว่าทางสายกลางแต่ก็ถือว่าความเป็นปกติจิตใจของเราต้องมีความเป็นปกติ หลวงพ่ อ, อเขียนท่านก็พูดถึงลักษณะของภาวะผู้ ด, ดูดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นมันเป็นทางพผ่านแล้วก็ครั้งสุดท้ายท่านพูดถึงว่ามันเป็นลักษณะของทางด่วนทางด่วนทางลัสู่การพ้นทุกข์ก็คือลักษณะของความรู้สึกตัวที่เรามีอย่งแต่หัวจะรดเท้าเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วสารพันกาย กายเคลื่นไหวใจรู้กายทำอะไรใจทําด้วยนะี่ยเรก็พูดจนเป็นล้วนะของความไกลชินคุณชินเลนะแต่ว่าการกระทํามันทำยังไงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องลงมือทํากันจริงๆริเราก็เห็นว่ามีอารมณ์ปฏิบัติเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกินนะความง่วงเหงาหานอนก็เกิดขึ้นมาความลังเลสงสัยก็เกิดขึ้นมาฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วก็การพยาบาทก็เกิดขึ้นมาก็คือมันรูปรอยของความคิดเยอะจริงๆริ ความง่วงกับวันกันบางทีนี่ไม่ปฏิบัติมันไม่ง่วงนพอปฏิบัติปั๊บมันก็จะง่วงขึ้นมาเนี่ยมันบอกถึงว่านี่ใส่ความเคยชินเก่าๆของเราเป็นคนย่างไรเมังทีก็เฉยเนื่อยบางทีเราก็กระตือรือร้นรีบร้อนหุนหันพันแล่นต่อไปนี้ความรู้ตัวก็จะปรับให้เรา นั่งเดินยืนนอนจะคิดจะพูดจะทํามันก็มีความพอดีอยู่ในตัวของมันดังนั้นจะมีเรื่องของการละเทสะนะควรพูดในควรพูดอย่างไรมันก็มีของมันเหมือนกันนะเนี้ยนะเราก็จะเห็นว่าเออมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ต้องให้ใครบอกเราคนอื่นแค่บอกคนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอันนั้นมันเรื่องของเขาไงแต่เรารู้เราเปลี่ยนไปก็คือความทุกข์มันลดลงความคิดที่มันเกิดขึ้นมาทําให้เราําคาญตัวเองมันลดลง รันะ่วบางเรื่องมันหายไปเลยอันนี้เราก็สามารถที่จะมีเกณฑ์ชี้วัดนะเวลาไปวัดธรรมเนะี่ยเราอยู่กับตัวเองได้มากน้อยเพียงใดนะจริงเราคิดเราพูดเราทํามันเป็นไปเพื่อความากรเหลึกเบิกบานนะประเภทสนุกสนานนะรวมเป็นลักษณะของการรู้ตื่นเบิกบานนะเป็นตัวปัญญาเป็นไปเพื่อการสะสมนะบริโภคนิยมนะหรือว่าเป็นลักษณะของวัตถุนิยม รู้ว่ามันเป็นลนักษณะของอาตามมีตามได้เรารู้จักใช้ให้มันเกิดความไม่บกคร่องขึ้นมาเป็นเรื่องของบนเป็นเรื่องของอายะสมัตาต่างๆมันจะมีขึ้นมาในนี้ของมันเองนะอันนี้ไม่ต้องให้ลหักษณะคนอื่นมาชี้นะมารับรองแต่ว่าตัวเราเองจะใช้ชีวิตนะเป็นอิสระภาพของเราอย่างนี้มันจะมีอยู่เรามีกฎมีกรอบมีขอบมีเกต อีกพอสมควรที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับมันต่อไปด้วยปัญญาเนี่ยนะมันก็จะไม่ให้เป็นไปเพื่อลักษณะของราคะตัณหาต่างๆมันเป็นไปเพื่อการออกมาจากราคะตัณหาแล้วก็มีความสันโดษไม่ใช่คุกครีจะเป็นเรื่องของบางครัง้งบางคราวสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราการมีมิตรสหายพูดคุ ย, ค ย, คยพบปะกันบ้างมันเป็นลักษณะของความเจริญ การที่มีความเสื่อมก็หมายถึงว่าชาพุ๊บเราไม่มีการเยี่ยมเยียนกันไปมาหาสู่กันหมองจะเกิดอคติกันต่อไปแล้วทายสุดก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเพ่งโทษอันนี้มันมีแน่นอนนะต่อมาก็คือเราหนะักความเสื่อมก็คือเราไปหาบุญนอกศาสนานอกตัวนะจริงๆบุญมันอยู่ในตัวเราอะตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเหล้วทําบุญ แปลงปันตอนเช้าๆเนี่ยโดยสตินีมันก็คือการทําบุญการเดินไปไหนมาไหนมีการระมัดระวังเรียกว่าทําบุญรักษาตัวรอดนะอันนี้มันเป็นประโยชน์ตนก็เรียกว่าการทําบุญมาทําบุญกับตัวเราเป็นรักตัวเองเป็นสงสารตัวเองเป็นกระทําบุญกับคนอื่นรักคนอื่นสงสารคนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นบุญที่ทําให้เกิดความไม่เสือ่อมเรือนเนี่ยกลับมาหาตัวเอง นะการดูแลตัวเองชื่อว่าดูแลพระเจ้าดูแลตัวเองชื่อว่าดูแลพระธรรมดูแลตัวเองให้คุ้มก็จะว่าดูแลพระสงฆนะ์ก็คือตัวเราโนะยนก็เป็นลักษณะของพระอริยะว่นะาพอริยะบุคคลนะพระที่บวชกันกนะภิศวงเรียกวพระอริยะสงฆ์ก็อยู่นแบบสังฆะชุมชนในประเทศไทยชุมชนของชาวพุทธก็มีอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุภิกษุณีดาวภิกษุนีกน้ก็หายไปแล้วก็มีแม่ชีมาแทนเหรือหลวงปู่เตียนบอกว่ามีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงธรรมะนี่มันไม่ใช่ของใครมันเป็นของคนที่รู้สึกตัวใครที่รู้สึกตัวมันก็เป็นของคนตรงนั้นใครทําใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ทําจริงก็รู้ของจริงถ้าจํามันก็รู้แบบการจํามันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้ารู้ของจริงปั๊บเราก็จะตอบตัวเองได้นะการนั่งการเดินการยนืนการนอนการพูดการนิ่งการที่มีกายเป็นวัตถุรู้ธรรมกันนี่มีใจเป็นวัตถุนามธรรมจิตใจของเรามันมีความคิดที่เรารู้เท่า ร, า ร, ร, รู้ทันโดยสติปัฏฐานการ ร, ารู้ที่มันฉับไวคมแล้วก็รวดเร็วคล่องตัวก็ทําให้เราเห็นความคิดที่สร้างความทุกข์จากอยากไปหาละเอียด จากอยากก็หมายถึงเราโลภเราโกรธเราหลงนะนะเป็นกไายอากุศลทั้งหมดเลยอีกอั้นคือฝ่ายกุศลฝ่ายบนก็คือลรอหาหณะของการคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็ติดสุขอันนี้มันเป็นความเมื่อสีขาวความเมื่อสีดํามันก็ดำดำขาวขาวกันนะพอดีก็ทุกข์พราะความดีนะพอไม่ดีก็ทุกพราะความไม่ดีอ ย, อย่างนี้นะอย่างเช่นตอนนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานคร คนที่เลือกฝ่ายหนึ่งก็มองเห็นความดีของเพื่อนอีฝนะ่ายนั้นก็เลือกทายสุดก็อาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นทุกข์ไปแล้วอีกคนนึงก็ดีแล้วทายก็คือโอ้โหได้ขึ้นไหมก็กลายเป็นความทุกข์อีกแล้วคือดี อ, อกดีใจฉลองกันอย่างนี้ยนะคือดีก็ไม่ดีดีก็ไม่ดีก็มันมีอยู่ในตัวเราพอไปทําำเราเห็นความคิดดีก็ออกมาความคิดไม่ดีก็ออกมาอย่างเนี้ย อยู่ตลอดเวลาเวลาเลยเราเห็นโอ้ไอนี้กระบวนการความคิดที่เกิดขึ้นมาบางทีก็คิดดีโดยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจอันนี้พาไปสู่ความทุกข์เหมือนกันบางทีก็คิดไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจมันก็พาไปสู่ความทุกข์เหมือนกันอันนี้คือความคิดไม่ดีแต่เราตั้งใจที่จะคิดออกมาเพื่อที่จะมาเป็นอุทาหรณ์เนี่ยอันนี้เป็นความดีเหมือนกันกลายเป็นเรื่องของสติปัญญาได้เหมือนกันมีความดีที่เราเจตนาคิดขึ้นมา มีสติ ก, การคิดมีสติ ก, การพูดมีสติ ก, การทำํำอะไรมันก็ดีไปหมดก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราไม่ต้องทุกข์สติจะพาให้เราไม่ต้องทุกข์หมายถึงมันทําด้วยความเป็นปกติจิตนแล้วมันก็จะเลือกหนทางเดินสู่การรู้แจ้งเป็นหลักเป้าหมายปลายทางก็คือสภาวะของความเป็นปกติทุกๆขณะนะที่เราคิดเราพูดเราทําะ ป้าหมายเพื่อเป็นไปเพื่อความสมัครสมาสมัคมคีเป็นหลักเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่ม่านเป็นหลักมันไม่ใช่ประโยชน์ตนมันเป็นเรื่องของาศาสนาที่จะต้องชี้นาสร้างกระแสแล้วก็ท้ายสุดคือปลุกให้จิตวิญญาณคนนี้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นงานของพระาศาสนาเป็นงานที่เราได้ประโยชน์มาจากผู้อนนื่นเช่นเรามาวัดป่าสุขระตเนี่ย สิ่งวัดร้อนต่างๆนะบนได้ประโยชน์นจากคนที่ก็ทำหลีคนแรกที่เอาวัดป่าสุกโตเป็นวัดก็คือลูกศิษย์หลวงปู่เทีย น, นก็เห็นว่าเออจุดนสามารถที่จะเผยแผ่ทาได้สามารถที่จะพาฝึกสติปัฏฐานได้หลวงพ่อมเกลียนท่านก็เออมาสารต่อเลยว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆมัดป่าสุกโตต่อไปเนี่ยคนจะมาใช้ที่นี่กันเยอะมากนั่นคือวิสัยทัศนะ์ ของผู้ที่ท่านมีสติมีปัญญาตั้งแต่นะการเก่ากันก่อนเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสนะได้มาใช้ประโยชน์กันอย่างเช่นวันนี้นะก็จะมีบุคคลมาใช้ประโยชน์กนานจำนวนมากสาวพระก็มีมากันจํานวนเกือบร้อยทีเดียวเราก็ญาติโยมอีก200ส0งรเศษสองรอยา่างเงี้ยนะนะนะแลก็มีที่อยู่ก่อนอยู่เก่านะเป็นชาวจีนเป็นชาวสีลังกาเป็นชาวต่างประเทศอย่างเงี้ยมาอยู่ เพราะนั้นมันก็มีสังคมนะที่ต่างคนต่างมีจริตนิสัยมีความหลากหลายมาอยู่ร่วมกันอย่างนี้เราก็จึงต้องจูนต้องปรับกันมาสู่สมดุลก็คือใช้ร่าการนั่งการเดินการยืนการนอนด้วยความสํารวมระวังวัดป่าสุกรนะโตเป็นสถานทีนะ่ที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนได้จากทุกมาเป็นไม่ทุกนะอย่างเช่นทุบไ ก, กนะ่มันก็มีร่างสารพิษอย่างนี้นะ ทุกใจก็มีการฝึกสติปัญฐาสี่นะล่างสารพิษขยะความคิดของเรามันเยอะเนี่ยนะเรามีการกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวพระสงฆ์ที่ตั้งใจบวชป ฏ, ฏิบัติก็ต้องเรียกว่าเรามาระวังกันนิดหนึ่งนะหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นอย่างให้พระอาการดุกะจะไปชวนเล่นชวนพูดชวนคุยกันจนเสียเดยว่าตรงที่จุดนะอบเนะี่ยที่เราอบสมุนไพรกันเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยเราถ้าเราดูให้ดีนะเป็นจุดอกักขศนเช่นหนึ่งเวลาก่อไฟควันของมันเนี่ยจะข ม, มงเลยนะแล้วมันจะมีรังเพลิงอยู่แหวนั้นนะเจ็ดแปดรังนะเดิมทีนะตรงเตาเผานั้นจะมีรังเพลิงอยู่แล้วตอนนี้มันก็ไม่ไปทํารังแล้วตรงต้นนั้นละเพราะว่ามันมีปล่องไฟมีฟันไฟเพราะฉนั้นเราได้อย่างก็เสียหลายอย่างเหมือนกันมแมลง ก็ถูกฟันก็ก็ไม่ชอบที่ไหนไม่มีมแมลงธรรมชาติก็หายไปความเสื่อมโทรมก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ก็ต้องระมัดระวังต่อมาก็คือลัอกษณะของความเอกราชเวลาพระท่านไปอบกันเนี่ยไปเล่นหัวอยู่ตรงนั้นนีซึ่งมันมีพระอยู่ทารานั้นที่ตั้งใจไว้ัดมีอยู่นอกจากกระทบกระเทือนกันถ้ามองในแง่ดีก็มหมายถึงว่าเป็นครูสอนอารมณ์ให้แต่ถ้าเป็นพระใหม่ๆก็คือสติแตกอารมณ์เสียเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ สภาบาทหนีไปการเดินไปอบก็เหมือนกันหรือการเดินเพ่นพ่านในวัด น, นะน่ณะของสำนักสารลูกคือจะไปเดินแค่ใส่สะบงกับลักษณะของอังสะเฉยๆมันเป็นทูพีสเป็นแค่ชุดชั้นในเท่านั้นเองเพราะนั้นให้มีลักหนะของผ้าคุมอยู่ตลอดเป็นผ้าอาบน้ำและเดี๋ยวเวลาประถมนิเทศเดี๋ยวผมแา้าตมากมาจะบอกให้อีกทีนะึง อีกอันก็คือบอกเพื่อนไปนะใครที่สูบบุหรี่นะไม่ต้องมาล้างสารพิษเลยเนะี่ยะโดยเฉพาะพระเดินะสะพายบาดกลับไปไดนะ้ถ้าอยู่แล้วก็สูบบุหรี่ละล้างสารพิษนะก็ไม่ต้องล้างหรอกมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะมันกลายเป็นเอาสารพิษเข้าไปในตัวอยู่ตลอดเวลาจะมาล้างทําไมนะอันนี้เพราะฉะนั้นเราช่วยกันนะ มันก็นจะกลายเป็นเรื่องของบุญกุศลนั่นนะเป็นความฉลาดแลว้วก็ช่วยให้โอกาสให้เป็นการเติมสติลงไปทุกๆ ก, กิจกรรมจะทําอะไรก็ตามเป็นการเติมสติลงไปแล้วก็พูดกันถึงเรื่องการฝึกสติระฐานโดยเฉพาะแนวเคลื่อนไหวนะที่หลวงปู่เทียนเจือโพหรือว่าหลวงพ่อเขียนท่านได้สร้างวัดมาที่นี้นก็เพื่อเทียบเผยแพรแ่แต่ว่าการที่นะวัดได้ทําประโยชน์หลายๆด้านนะอันนี้ก็ถือว่า เป็นลนักของบุญกุศลที่ใจเราไม่คับแคบนะวัดป่าสุประตูจึงเป็นป่าอิสิปัตนามลาตาไทยวันที่ในสมัยองค์สมเด็จสัมมาเจ้าได้ได้ให้ปัญจวัคคีย์นีได้ยินธรรมจั ก, กรปาสูตรจนทั้งบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานทั้งห้ารูปอย่างนี้หลวงพ่อขเขียนท่านก็มีดำดับแบบนี้นอยากให้ทีนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนดีก็มาได้คนไม่ดีก็มาได้อยู่ได้น ใหสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมมันค่อยๆขูดกาวเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนจนทั้งสามารถที่จะออกไปอยู่ในโลกความเป็นจริงได้เกิดสันติสุขสันิพัทกับตัวเองกับผู้อื่นต่อไปเนี่ยนะด้นเรื่องของความรู้สึกตัวเนะี่ยจริงๆแล้วต้องเกิดมาจากการฝึกกันหัดถ้าไม่ใเกิดมาจากการฝึกกันหัดผมหรืออาตมาก็จะไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นเลยต้องมาอยู่ที่วัดป่าสุกโต นะแต่ที่นี่มันมีการฝึกการหักมันเป็นสถานที่จริงนะมีการเดินจงกรมกันมีใครว่าอะไรมีการยกมือ14บี่จังหวะก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะหลวง พ, พ่อครูอาจารย์ท่านชี้เอาไว้นะบอกความรู้สึกตัวนะี่มันเกิดมาจากการเคลื่อนการไหวนะโดยเพราะ14บี่จังหวะนะหลวงพ่อเขียนท่านพูเสมอว่าองค์สมเด็จ ส, สัมมาจ้าเนี่ยทำอย่างนี้จริงๆในวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15คห้าคำนะท่านมานั่งยกมือ14บี่จังหวะเนี้ย เรื่ความเขียนท่านพูดได้เต็มปากเต็มคํานะซึ่งในประสูตรก็พูดเพียงแค่ว่าการคู่การเหยียดการเคลื่อนการไหวเพราะานั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจริงใจมากจริงใจมากว่าท่านรู้อย่างไรได้รูปแบบอย่างไรมรรควิธีมรรควิถีเกิดมาอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงสภาวะผู้ดเกิดมาจากการปฏิบัติมันไม่ใช่การยกเมฆขึ้นมา ว่าเรามีสภาว่าผู้ดูอันนี้วัดได้ทันทีเมื่อเราลงมือปฏิบัติคนที่ง่วงยังไงก็ต้องง่วงคนที่คิดมากฟุ้งซ่านยังไงคิดมากฟุ้งซ่านคนที่วางใจไม่พอดีมันจะต้องโซซัดโซเซเพ่งเพลงจ้องจ้องนะบางคนเกิดเกิดเกินเกินเกิดเกิดเกิดเกิดมาเรียกว่าทําต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่ได้ตื่นยันหลับตื่นยันหลับมาทําต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่มีทางอันนี้ก็เรียกว่ามือใหม่หัดครับกรรมฐานเรียกว่าาลลิดงงท ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของใครของเราที่จะอยู่เกินไหวรู้สึกตัวด้วยความมั่นอกมั่นใจอันนี้ผมเลอาร ม, มาใช้คำพูดคำนี้นด้วยความจริงใจกับวิธีปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับในหลา ย, ลายวิธีหรือว่าในหลายกิจกรรมแต่ย้ายคนไม่เสียเวลากับการที่เราสละความดีการงานหรือว่าชีวิตทางโลกมาแล้วเข้ามาถึงวัดป่าสุตโตน ให้เรียนรู้ใจมีสติอยู่กับกายนะเอาของสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วจนเกิดความพอดีเกิดการแยกได้สัพเพสังขารานิจาร์ตรงนี้มันมีเข้ามันอยู่ความไม่เที่ยงที่เกิดอยู่กับการสังขารการปรุงกันแต่งการคิดทั้งกายทั้งใจนะวัตถูรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นท้ายสุดจะได้คําตอบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะความรู้สึกตัวนะมันไม่ได้มีภาษาที่เป็นตัวเป็นตน มันว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคือความเป็นปกติของจิตตรงนี้คือสภาวะที่ประพัดสอนผ่องใสเป็นความบริสุทธิ์นะมันเป็นลักษณะของความผ่องแผ้วที่มันเกิดขึ้นมาขณะที่เรารู้สึกรู้สึกแล้วก็เกิดความเป็นกลางแต่ถ้าไม่เกิดการวางใจที่พอดีกับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่กายความรู้สึกที่มันเกิดกระจากความคิดถ้ามันเกิดความเป็นกลางขึ้นมานีมันจะไม่มีสภาวะของผู้ดู ความเป็นปกติจะไม่ปรากฏตรงนี้แหละที่เราจะต้องเฝ้าดูอย่างถี่ยิบเลยดูอย่างแยบคายเราจะเห็นลักษณะของความละเอียดของตัวชีวิตเราที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเลยความรึกตัวหรือความเป็นปกติมันมีอยู่แต่เพียงแค่ว่าความคิดหรืออารมณ์มันเคลือบเอาไว้พอเราทะลุเจะ อ, ออกมานิ่งสู่สภาวะธรรมชาติเดิมๆแล้วก็พบมันดันดี ตรงนี้แหละจึงให้เราไม่คุกคียกันถึงแม้กระทั่งจะดี ท, ท้อก็ตามก็สามารถมาทําวัดสวดมนต์ได้เป็นปกตินี่แหละเพราะว่าเคยทํามาแล้วจิสครั้งเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทําวัดได้จนทั้งวันที่เดิมน้ำมันมาก่อกก็ตามก็ยังมาทําวัดได้อยู่เพราะเราฝึกใจ ช, ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยด้วยความเข้มแข็งและเปาะบางเพราะฉะนั้นเราจะต้องคล้ายๆกับ เริ่มที่ตัวเราแล้วก็ชวนเพื่อนไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าวัดก็ชวนกันปฏิบัติอย่างนี้แหละก็คือเรื่องหนาของการเดินทางกอดคอไว้ด้วยกันสู่มากผลนิพพานต่อไปนะเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่เคยปฏิบัติ ด, ดีกันมาหรือว่าขณะนี้กําลังปฏิบัติดีอยู่ก็ตามหรือว่าพวกที่บอกว่ารู้แล้วกําลังประพฤติปมจันทร์เดินทางอยู่กําลังจะถึงจุดหมายปลายทางหรือว่ารู้ทิศรู้ทางชัดเจน ก็ขอให้ในการดํำริของพวกเราทุกคนทุกท่านก็จะเป็นดำํำริที่พุ่งตรงมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตก็คือการอยู่เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายอยู่เนื้อทุกข์ก็ขอให้ได้เจอเป้าหมายสูงสุดในปัจจุบัน ใ, นในกล้นี้โดยตัวนาการทุกท่านทุกคนท่านเธอ